ท่านฟังคะมาถึงช่วงเวลาของพุทธประวัติจากพระโอษณนะคะซึ่งวันนี้ก็จะเป็นตอนที่จวนเจียนแก่การพรินิพพานเต็มทีแล้วนะคะโดยได้ตรัสแก่พระอานุ์ว่ามาเถิดเราจักไปเมืองกุศินาราพระพุทธองค์เสด็จทั้งที่ยังประชวนในกลางทางสงแวะนั่งนโร่มไม้แห่งหนึ่งนะคะตรัสแก่พระอนุนอีกว่า เธอจงปูผ้าสังขาติที่พับเป็นสี่ชั้นให้เราเถิดเราลำบากกายนักจากนั่งพักอานนท์เธอจงนำน้ำดื่มมาให้เราเรากระหายนักในคราวนั้นพระอานนท์ทูลผัดเขาว่าเกวียนห้าร้อยเพิ่งจะผ่านไปน้ำคุณหมดขอให้ทรงทนไปหาน้ำที่แม่น้ำกากุดนาทีข้างหน้าจนกระทั่งพระพุทธองค์ตรัสซ้ำถึงสองครั้งพระอานนท์จะไปตักน้าได้พบว่าน้ําม่ได้คุณเลย จึงกลับมาทูลความอัศจรรย์ข้อนี้หลังจากนั้นได้พบและสนทนาเรื่องสมาธิกับปุกุสะมัลระบุตเมื่อสนทนาเสร็จปุกุสะก็ถวายพ้าเ น, นดีสองผืนจึงตรัสให้ปุกุสะคลุมให้แก่พระพุทธองค์ผืนหนึ่งอีกผืนหนึ่งให้แก่พระอานนท์พอปุกุสะ หลีกไปพระอาห น, น์ได้น้อมเข้าไปสู่พระกายของผู้มีพระภาคทั้งสองผืนได้เห็นพระชวีของพระพุทธองค์ผ่องใส ย, ยิ่งนักจึงทูลถามตรัสตอบดังนี้ค่าว่าอานนเป็นอย่างนั้นกายของตถาคตย่อมมีชวีผุดผ่องในการสองครั้งคือในราตรีที่ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณและราตรีที่ตถาคตปรินิพพานด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุอานน การปรินิพาธ์ของตถาคตจักมีในระหว่างต้นสาระคู่ในสวนสาระอันเป็นที่แวะพักลางทางของพวกมรละกษัตริย์ใกล้เมืองกุศินาราในตอนปัดชิ ม, มยามแห่งคืนนี้มาเถิดอานน์เราจะไปยังแม่น้ำกากุดนาทีด้วยกันส่งสงในแม่น้ำแล้วเสด็จเข้าสวนอัมพวันประทับนอนศรีหัสายา เพื่อพักผ่อนบนสังคาติพักเป็นสี่ชั้นปูถวายโดยพระจุนทกะและตรัสปรารกถึงนายจุนทะอานนนคงมีใครทำความเดือดร้อนให้แก่จุนทะกรรมมรบุตรโดยกล่าวว่าจุนทะการที่ท่านถวายบิณฑบาตเป็นครั้งสุดท้ายซึ่งถาได้โดยยากนั้นไม่เป็นลาบเส้นแล้วดังนี้อานนนเธอพึงกำจัดความเดือดร้อนนั้นเสียโดยกล่าวว่าจุนทะการถวายบิณฑบาตครั้งสุดท้ายของท่านเป็นความดีแล้ว เป็นลาบของท่านแล้วเราได้ฟังมาแล้วเฉพาะพระพักว่าบินทบาททั้งสองมีผลเสมอกันมีผลยิ่งยอดกว่าบินทบาทอื่นๆคือบินทบาทที่พระตถาคตเจ้าเสวยแล้วตรัสรู้อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณอย่างหนึ่งและที่เสวยแล้วเสด็จปรินิพานด้วยอนุปาทิเศ ส, สนิพานธาตุอย่างหนึ่งกุศลกรรมที่นายจุนทะสร้างสมแล้วย่อมเป็นไปเพื่ออายุวันนะสุขะ ยศสวรรค์และความเป็นใหญ่อานน์เธอพึงกำจัดความเดือดร้อนของนายจุนทะกรมมารบุตรด้วยการกล่าวอย่างนี้แลแล้วส่งเปล่งพระอุทานนี้บุญย่อมเจริญงอกงามแก่ทายกผู้ให้อยู่เวเนย่อมไม่สืบต่อแก่บุคคลผู้ระ ง, งับเวนเสียได้คนฉลาดเท่านั้นละบาปเสียได้แล้วก็นิพพานเพราะความสิ้นไปแห่งราคะ โสะและโมหะค่ะก็เป็นอีกตอนหนึ่งนะคะในส่วนของการปรินิพานอยู่ในมหาปรินิพานสูตรซึ่งพรุ่งนี้เราก็คงได้ฟังตอนที่เสด็จปรินิพานนะคะวันนี้เราก็คงจะต้องบอกว่าท่านที่อยากได้พุทธวจนะธรรมวินัยจากพุทธโอด ฉบับก้าวย่างอย่างพุทธะตอนนี้มีหนังสือมาเพิ่มแล้วนะคะพระอาจารย์คือฤิสโสธิพโลวัฒนาปาพงศ์ก็ได้มอบเพิ่มให้มาอีกก็ติดต่อเข้ามาเราแจกให้วันละหาท่านที่หมายเลข022690006และ0 2 2 6 9 0 0 6 0ค่ะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้กับดิฉันสรนสนีนาคพงศ์และรายการสรนสนีสนทนากันอีกนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ